ขอดูหน้าหนยะพวกที่เข้าขอยกมือยกมืออ้าวลงได้ถ้าเข้าใจหลักของการภาวนานะไม่ยากเลยเราอย่ไปวาดภาพการปฏิบัติทรมันยากเกิดจริงเราคิดแต่ว่าจะต้องทำอะไรทำอะไรจะดีทำอะไรจะพัฒนาทำยังไงจะรู้สึกตัวตลอดเวลา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 มันมีเงินเยอะทุลนทุรายนะมันยังหิวอยู่ยังไม่อิ่มมันยังไม่เต็มพวกเรามีธรรมะ ม, มันอิ่มมันเต็มนะปัจจุบันนี่ถือว่าเรารวยแล้ว <Yeah. S 1> แค่พออยู่พอกินเราก็รวยของเราแล้วละ่ะคนมันจะบริโภคอะไรได้นักหนาบางคนมันลืมโลกลืมตัวเองสะสมอะไรเยอะแยะเลยคิดว่าจะบริโภคได้ตลอดไปมันไม่มีทางเราคนเรานะ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 เป็นชนชั้นกลางระดับล่างอะไรเงี้ยแล้วแต่เก็จะตั้งนะแต่เราอิ่มอ่ะเราเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองอยากจนเรากินข้าวสองมื้อเราก็อยู่ได้เนาะได้พระยังอยู่ได้เลยกินมื้อเดียวยังอยู่ได้เลยเห็นไหมว่าพระไม่ได้ทํางานพระทํางานบางวัดก็เป็นขนต้นไม้ขนหินขนอะไรทางานกันตกเย็นได้กินน้ําหวานหน่อยหนึ่งเทนั้น อยู่จริงๆก็อยู่ได้เสื้อผ้าพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวนะไปเที่ยวรอบโลกได้อะมีรองเท้าแตะอยู่คู่ว่าลากไปทั่วประเทศเลยนะไม่กลัวหายด้วยนะไ <c oughs> ปไหนเขาให้ถอดรองเท้าล้วถอดอย่ยวสบายใจเลยหายเราก็เดินเท้าเปล่าเอ <c oughs> สบายไหมสบายปัจจุบันสบายนะอนาคตก็สบาย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 พี่แวดล้อมท่านอยู่ดูท่านบอกในจํานวนพระอราหันต์ห้าร้อยองค์เยอะนะพระอราหันต์ห้ารองค์ในพระอราหันต์ห้าร้อองค์นะเป็นพระที่ได้วิชาสามหองค์วิชาสามก็คือระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์คนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเนี้ยรู้แล้วก็ลางกิเลสได้เนี่ยมีแค่หกสองค์คนได้วิชาสามเนี่ยต้องได้ฌาน ในจาพวกนี้ในพระระหันห้ารองแล้วนะมีอีก60องค์ได้อภิญยาหกนะเช่นได้อิกชีวิตีพวกนี้รีดเดียวกว่าพวกวิชาสามได้หูทิพได้ตาทิพอนะไรได้ยานอย่างรู้ใจคนอื่นนะแล้วก็ล้างกิเลสไดนะ้มี60องคนะ์คนที่ได้อภิญยานี่ก็ต้องทรงฉันะเล่นสมาธิเล่นอะไรมาอีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุต แม่ได้วิชาสามกสิบนะได้อภิญญาหกหกสิบอุปโตภาควิมุตเนี่ยมี 60. อีกหสอุปโตภาควิมุตนะิน่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรู ป, ปรธรรมนะโดยการได้ถึงอรูปฌปานะเพราะอุปโตภาคเนี่ยจะต่างกับวิชาสามอภิญญาหกนะเพราะอุปโตภาคเนี่ยจะได้ถึงอรูป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 รวมความแล้วก็คือหกสิบบวกหกสิบบวกหกสิบนะร้อยแปดสิบอีกสา0รอยยี่สิบคืออย่างพวกเรานี้แหละไม่มีฌานอะไรกับใครเขาหรอกก็คนธรรมดาเรียกพระอาหารสุขาวิปัสสกะนี่ขนาดสมัยพุทธกาลนะหกสิบสี่เปอร์เซนต์มาจากคนธรรมดาไม่ได้คนทรงฌานสมบัติอะไร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 เห็นอันนี้สวยงามเห็นนี้ทันสมัยถ้าได้มาแล้วดีอะไรเนียสวยงามเท่ทำให้อยากได้อีกพวกหนึ่งเห็นแล้วมีโทสะดูแล้วโหเราตาต้อยเพราะเราไม่มีมือถือยี่ห้อนี้ใช้ตาต้อยท่าทางถูกเหยียดหยามอย่างงี้ามีนะป้ายแบบทางก้าวราวก็มีป้ายแบบ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 เปิดทีวีขึ้นมามีแต่ข้อมูลทําให้จิตฟุ้งซ่านทำมาหลวงพ่อประมว่นก็อยู่แต่ในเคเบิลทีวีอะไรเงี้ยทีวีทั่วๆวไปมีแต่เรื่องกิเลสเนาะหนังสือพิมพ์เปิดขึ้นมามีแต่เรื่องกิเลสนะเรื่องร้อนๆอนทั้งนั้นเลยเงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรารับข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ใจแกล้งเนะี่ยเยอะแยะเลยเหมือนมีหลักขังอยู่ลูกนะมีคนตีเยอะแยะเลยตีสละรอบทิศ ท, ทางเลยนะ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 การดูจิตดูใจเนี่ยเป็นกรรมฐานนะที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชาญก็คือคนรุ่นเหล่านี่เองนะคนรุ่นเหล่านี้เองเราไม่ได้ชาญงันเราจะไปดูกายดูเวทนาเนี่ยกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกสิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกมีอย่างละสองนะ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 ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนั่นเองนะถ้าสมาธิเราไม่พอเราไม่เห็นหรอกนะงั้นถ้าเราไม่ได้ส่งสมาธินะกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้ทรงสมาธิก็คือจิตตานุปัสสนาะการธรรมานุปัสสนาแต่จิตตานุปัสสนาทำง่ายธรมานุปัสสนาต้องมีปัญญาแก่กล้านะกายกเวทนาก็เหมือนกันนะ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 รู้ว่าใจเศร้านะความเศร้าก็ดับแต่ดับชั่วคราวเพราะมันดับด้วยสติแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นความจริงความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ตายความตายของคนอื่นไม่ได้ทําให้เราเศร้าใจแต่ตัณหาต่างหาที่ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาคนอื่นเขาตายสามีตายแต่เราไม่อยากให้เขาตายนะเราถึงทุกข์นะถ้าปัญญามันแจ้งถึงขนาดนี้รู้เลยว่าความตายไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์นะ ความตายของคนอื่นนะการที่เราไม่อยากให้เขาตายต่างหาตัณหาตัางหา ก, หาหากทำให้เราเป็นทุกข์แกฟังเท่นะแกยิ้มเลยนะยิ้มตาตาใสขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาเลยนะแต่เดี๋ยวหลวงพ่อกลับแล้วพวงมื่นใหม่ก็ <c oughs> ยังไม่ได้ฝึกนะอันนี้ใจมันรับกระแสธรรมะผงสว่างขึ้นมนะเนี่ยดูไปนะดูจกนกระทั่งใจเราเห็นความจริงเใช่ไหมแก้ด้วยสติอันหนึ่งนะแก้ด้วยปัญญาอันหนึ่งแก้ทุกข์นี่แหละ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 อย่างหลวงพ่อก็พยายามแอปไลาการทำสมาธิไม่ได้ให้ทำมากเพราะทำไม่ไหวบอกให้ทำในรูปแบบนะทุกวันทำา10นาที15นาที20นาทีเบื้องต้นทำแค่นี้ก่อนนะพุทโธไปหายใจไปจิตนีไปคิดรู้พุทโธไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้รอะไรเงี้ยนะหรือจิตไปเพ่งอยู่แล้วรู้ฝึกไปเรื่อยนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเองสติก็เพิ่มสมาธิก็เพิ่มนะพอออกมาเดินปัญญาอยู่ในชีวิตประจาวันยังไม่ได้ปัญญา